เมื่อเช้าไปกินข้าวได้ปฏิบัติไหมใครปฏิบัติยกมือเอางี้อารใครไม่ปฏิบัติยกมือหน้าตีธรรมะเรียนแล้วไม่ธรรมะไม่ได้อะไร้ร็อกหลักสูตร น, นะเราถือสีนห้าไว้ก่อนสิ่งที่เราทุกคนต้องทำต้องมีสีนห้า อันที่สองเนี่ยแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบนะเป็นการฝึกซ้อมให้จิตมันชนานาญอย่างเราจะทำสมถะอย่างทำยังไงจิตจะสงบเราจะฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะจะทำยังไงให้จิตตั้งมั่นมันไม่เหมือนกันสองอันนี้ใครที่ยังแยกไม่ได้ ว่าจะปฏิบัติยังไงยกมือให้หลวงพ่อด้วยนะมันคงจะต้องมีบ้างแหละะวิธีทําจิตให้สงบไม่อเช่าก็พูดไปบ้างแล้วนะจะทําจิตให้สงบเนี้ยก็ทําทกรรมฐานสักอย่างหนึง่งที่มีความสุขต้องไปเลือกเอาเองแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อเรียน่ท่านพ่อหลีนะท่านสอนห้ใจเข้าพูดให้ยใออกโทรทำมาแตเด็กรู้สึกสบายใจ เวาจะทําความสงบนั้นก็มาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปทเจอหลวงตามหาบัวท่านสอนพุทโธมาพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวอึดอัดไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่เอาเราก็เลือกเอาอันที่เราถนัดก็เ ร, เราไม่ดูคนอื่นนะดูตัวเองทํากรรมฐานอะไรแล้วสบายใจเอ า, านั้นแหละใจจะยังเรียบสงบ แล้วถ้าจะฝึกสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นคนดู <c oughs> ก็ใช้กรรมฐานเดิมแหละเช่นพุโทโธหายใจอะไรก็ได้แต่แทนที่จะให้ความสำคัญกับพุโทโธกับลมหายใจนะเปลี่ยนมาให้ความสำคัญที่จิตตนเองที่เราพุโทโธพุโทโธไปเนี่ยจิตเราหนีไปคิดเรื่องอื่นลืมพุโทโธเรารู้ทัน ยิ่จะตั้งมั่นขึ้นมาเรารู้ลมหายใจอยู่จิตหนีไปอยู่ที่อื่นเรารู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจอันนี้เป็นสมาธิอย่างแรกสงบก็รู้อีกว่าจิตไหลไปอยู่ในลมนะตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะตั้งมัน่นอัตโนมัติเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานี่พอจิตแล้วเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมันก็ถึงขั้นในการเดินปัญญา การเดินปัญญาการเจริญปัญญาใป็นขั้นต้นสุดเลยคือการแยกขันธ์หนะลวงตามหาบัวสอนว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นอย่ามาคุยกับเรานะว่าเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์กไม่ใช่เรื่องยากนะอย่างขณะ น, นี้ร่างกายเรานั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายมันนั่งลองพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายมันพยักหน้า เห็นไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดนะูมันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้สึกตัวที่รู้สึกอยู่ข้างในไม่ต้องหาว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าพยายามหาจะงงเลยนะไม่ต้องหาหลวงพู ด, ดูนบอกว่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอท่านพูดถึงขนาด น, นี้เราก็แค่รู้ว่าร่างกายมันถูกรูนะ้มันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่ข้างในตัวนั้นนะคือตัวจิต จิตเป็นผู้รู้เป็นผู้รับรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวเมื่อยร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นของถูกรู้จิตเป็นคนรู้ฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะแยกกายกับใจออกจากกันได้ วิธีแยกกา ย, กายใจไม่ใช่ทำสมาธิถอดจิตออกจากร่างนะอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องทำไม่มีครูบาอาจารย์คุมเดี๋ยวมันไม่กลับมาหนีไปเลยหลงไปที่อื่นเลยเราแค่แยกในความรู้สึกร่างกายมันเป็นของถูกรู้ถ้าเมื่อไหร่มีของถูกรู้เมื่อนั้นจะต้องมีผู้รู้คือจิต อย่างขนาะนี้ใจเราสุขหรือใจเราทุกข์รู้ไหมดูออกไหมใจเราสุขหรือใจเราทุกข์สุขทุกข์เป็นของถูกรู้ใช่ไมเพราฉะนั้นมันมีตัวหนึ่งเป็นคนรู้อยู่แล้ ว, ลวไม่ต้องไปหามนะลบกรดลงก็เป็นของถูกรู้เนี่ยหัดดูไปอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวขันมันจะค่อยๆแยกแยกแยกไปนี่พอมันแยกได้แล้วต่อไปมันจะเดินปัญญาทำวิปัสสนาจริงๆแล้ว การแยกขันธ์เนี่ยเป็นปัญญาขั้นต้นยังไม่ถึงวิปั ส, สนาปัญญาตรงที่จะเพเป็นวิปั ส, สนาปัญญาเนี่ยต้องเห็นไตรลักษณ์อย่างตอนนี้เราก็แค่รู้สึกว่าร่างกายมันนั่งมันถูกรู้อยู่ใจอยู่ตหากจะรู้สึกอย่างนี้ต่อไปเวลาจิตมันพัฒนาขึ้นไปไมันจะเห็นไอ้ตัวที่นั่งอยู่นี้ไม่ใช่เาราร่างกายนี้ไม่ใช่เราละ อันนี้เรียกว่าเห็นอนาัตตานะนเริ่มขึ้นที่วิปัสสนาปัญญาจริงๆแลมันรู้สึกเอาการเห็นไตรลักษณ์นี่ไม่ใช่เห็นด้วยตานะมันเป็นแค่รู้สึกเอารู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนีมีแต่ความทุร่างกายนี้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นะจิตใจก็มีแต่ความไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จิตใจนี้ก็ถูกบีบคั้นนะความสุขอยู่ชั่วคราวก็ถูกบีบคั้นให้หายไปความดีทั้งหลายอยู่ชั่วคราวก็ถูกบีบคั้นให้หายไปเนี้ยหัดรู้หัดดูไปนะจิตใจนี่เป็นของถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาอยากจะคิดดีไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คิดร้ายอย่างเงี้ยมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เรียกว่าเห็นทุกขังนะเห็นทุ ก, กาตาหรือเราเห็นว่าจิตใจมันทํางานได้เอง ใจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์อะไรเนะี่ยเราเลือกไม่ได้มันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันจะดีหรือมันจะชั่วเราสั่งไม่ได้ตรงที่เห็นว่าเราเลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้เนี่ยเห็นอนัตตาเนะีย่ยดูลงไปในกายดูลงไปในใจนะทีแรกก่อนจะเห็นใจรักได้ต้องแยกขันได้ก่อนวิธีแยกขันที่ง่ายง่ายเลยก็คือร่างกายมันนั่งอยู่รู้ไหมร่างกายมันนั่งยมัวแต่ใจลอย รู้ด้วยใจที่ธรรมดาไม่ต้องทำใจเนี่ยจะดูร่างกายนั่งแล้วนะเพียนแล้วเพียนแล้วใช้ใจธรรมดาเนี่ยขดเนี้รู้ได้ไหมว่านั่งอยู่หไหมแค่นี้ก็รู้รู้ไหมว่าพยักหน้า ห, นหมเรายกมือซิอ่าไปตีคนข้างๆเข า, ขานะรู้สึกไห้ร่างกายมันเคลื่อนไหวนะเราทำงี้สิหรือแบบแมวกวัก เห็นไห ม, ไห ม, ไม ร, รมา่มาง ก, กายมันเคลื่อนไหวเนี่ยแค่รู้สึกอ่ะมันรู้สึกอยู่แล้วไม่ต้องทําใจนะใช้ใจธรรมดาเนี่ยเป็นวิธีฝึกแยกขันนะเราจะเห็นในร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันถูกรู้ถูกดนะูพอมันมีสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งถูกรู้มันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นผู้รู้เกิดขึ้นอันตโนมัติเลย สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยสับเฉพาะเทคนิคเทอมเรียกว่าอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้อ่ะสิ่งที่เป็นผู้รู้นคือจิตจิตคือผู้รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่จิตรู้เพราะของเนี้ยจะเกิดคู่กันเสมอมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตงั้นตอนที่เกิดอริยมรรยพุเนี่ยมีมรรคจิตมีผลจิต มีอารมณ์ไหมมีช้นิพพานเป็นอารมณ์ต้องมีอารมณ์ถ้ามีจิตต้องมีอารมณ์เสมอนะมีอารมณ์ต้องมีจิตแล้วบางคนบอกว่าจิตเข้าพระนิพพานนะแล้วหายไปหมดเลยจิตก็ไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูถ้าไม่มีจิตนิพพานก็ไม่ปรากฏ งันในขณะที่บรรลุมรรคผลไม่ใช่บูบหมดความรู้สึกตัวไปนะไอ้อย่างนั้นไปโดนยาสลบเพราะคนิพพานเหมือนกันนะหมดความรู้สึกใช้ไม่ได้นะเวลารอริยามรรอริยผลเกิดเนี่ยมีจิตไม่ใช่ไม่มีจิตเรียกามรรคจิตผลจิตมีอย่างละยี่สิบชนิดนะมรรคจิตมียี่สิบอย่างผลจิตมียี่สิบอย่างถ้าพูดแบบย่อมรรคจิตมีสี่ผลจิตมีสี่นะ โสดาปติมัคจะกิทาคามีมัคอนาคามีมัคอนาหัตามัคสี่ถ้าแยกอย่างละเอียดในสี่เนี่ยในแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยอาจจะเกิดร่วมกับฌานหนึ่งสองสามี่ห้ารวมแล้วเป็นยี่สิบฟังล้งงมีฌานห้า เ, เคยได้ยนในฌานสี่ฌานห้าเป็นวิธีแยกแบบอภิธรรมฌานสี่เป็นวิธีแยกแบบพระสูตร นะไม่ต้องรู้หรอกรู้แค่ว่ากายกับใจมันคลานกันสุขทุกข์ดีชั่วกระจายมันคุลานกันแค่นี้แหละนะแล้วต่อไปฝึกให้ชำนาญ น, นะจะเห็นไจิตที่ไปดูรูปกับจิตที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงไปดูรูปก็คุลานกันเนะนี่คยค่อยๆฝึกไปกระทั่งตัวผู้รู้เองก็เกิดดับ เรืเข้ารู้ไปนะร่างกายมันนั่งก็รู้ร่างกายมันเป็นยังไงก็รู้จิตใจมันสุขมันทุกข์มันดีมันชั่วก็ค่อยรู้ไปจิตวิ่งไปดูจิตวิ่งไปฟังจิตวิ่งไปคิดก็ค่อยรู้เอนะปัญญามันจะเกิดจเห็นได้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงนะทั้งรูปธรรมนามธรรมมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ทุกข์มีแต่ อ, นตอันตตาอนิจจังหมายถึงว่าของที่เคยมีแล้วไม่มี ทุกขังหมายถึงว่าของที่กําลังมีเนี่ยกําลังถูกบีบคั้นให้สิ้นไปให้มันไม่มีอนัตตาแปลว่าของที่มีเนี่ยมันมีเพราะมีเหตุถ้ามีเหตุมันก็เกิดไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้ะนี่เรื่องเห็นอนัตตาอนิจจังก็คือเห็นของที่เคยมีแล้วมันไม่มีแล้วมันดับไป ทุกขังก็เห็นของทึ่งกําลังมีนะมันกําลังจะถูกทําให้ดับไปอนัตตาก็จะเห็นว่าของจะมีหรือของจะไม่มีนะเราสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้นะถึงจะเป็นวิปัสสนาค่อยๆฝึกขั้นแรกถือศีลห้าขั้นที่สองต้องทําในรูปแบบทุกวันขั้นที่สมมีสติอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างนี้ เวลาทำในรูปแบบวันนี้ฟุ้งซ่านมากทำความสงบนะพอสงบแล้วก็ฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนแล ร, รู้ถ้าวันนี้พอนั่งปุ๊บสงบตั้งมั่นแล้วนะเจริญปัญญาไปเห็นกายมันนั่งกายนี้ไม่ใช่เราเป็นะตัวอะไรตัวหนึ่งมันวุ่นวจนตัวหนึ่งมันนั่งอย่างนี้เดินปัญญาแล้วนะมาอยู่ในชีวิตธรรมดานี้ก็เหมือนกันมันฟุ้งซ่านมากนะหาอารมณ์ที่สบายใจ เป็นเครื่องอาศัยอยู่แต่อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสไม่ใช่อารมณ์ที่ยั่วราคะอารมณ์เช่นพุโทโธพุโทโธนี่อยู่ในชีวิตธรรมดานี่ก็ฝึกได้หรือเดินไนะไปชอปปิง้งเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่จิตมันสงบมันรู้แต่ร่างกายแล้วลองกลับบ้านไม่เสียตังคนะ์เพราะไ ม, ไม่ได้ไปดูของข้างนอกไปเดินเอาแอร์เฉย แล้วตอนไหนจิตเรามีกำลังนะเห็นกิเลสผุดขึ้นมากิเลสดับไปเนี่ยเดินปัญญาอยู่ในชีวิตจริงๆการทำในรูปแบบกับการปฏิบัติในชีวิตธรรมดาก็เหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าการทำในรูปแบบนะมันใช้ายๆคอนเซนเทรหน่อยใส่ใจมากหน่อยที่จะฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมในรูปแบบดีแล้วออกมาอยู่ในชีวิตจริงให้ได้ ถ้าเก่งเฉพาะตอนอยู่ในห้องพระสวดมนต์อยู่แล้วทำความสงบได้จ่อยู่ข้างนอกสงบไม่เป็นเลยฝีมื อ, อยังอ่อนหันนักยังไกลมาผลนิพพานนักถ้ายัางเจริญสติในชีวิตประจาวันไม่ได้ยังไกลมากผลนักทำนะมีสามารถือศีลทำในรูปแบบจเจริญสติในชีวิตประจำวันทำในรูปแบบ่อทำได้สามอย่างแล้วแต่วันแต่ละเวลา ทำความสงบเฉยๆทำความตั้งมั่นของจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาหรือเดินปัญญาอยู่ในชีวิตจริงก็เหมือนกันก็ทำได้สมแบบอีกแบบที่สีก็คือคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องงานเรื่องอะไรจำเป็นก็ต้องทาไปถ้าไม่ใช่เวลาที่คิดเรื่องงานก็มีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไปถ้าฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบพุทโธพุทโธอยู่ในใจแล้ว ไม่ต้องไปนั่งอย่างนี้นะต้องไปนั่งให้คนเห็นหรอกยุคนี้มันยุคของพวกมิจฉาทิฐิเราไปปฏิบัติให้เขาเห็นนะเขาจะกัะแนกกะแนวอย่างเขาเห็นเรานั่งสมาธิทุกวันเขาจะบอกเพี้ยนแล้วหรือเวลาเราเกิดโมโหขึ้นมานะ่ะมันก็บอกภาวนาไงวะปฏิบัติทุกวันจริงจึงชี้โมโหอยู่ยไม่มีเรื่องดีเลย ถ้าเราพอนานอยู่ในใจของเราไม่ต้องให้ใครก็รู้สบายหนูพ่อก็เคยเจอบอกอุย้ยปฏิบัติแล้วทำไมยึดมั่นถือมั่นมากมักว่าเรลาก็ไม่กินยึดมั่น <laughs> <laughs> พ่อมึอง <laughs> <laughs> เราอยู่ในสังคมของมิจฉาทิฏฐินะเราทำกลื น, ลนไป เขานั่งกินเหล้าบางทีเราไปงานเรื่องไม่ได้เขานั่งกินเหล้าเราก็กินกลับออไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเขาอยากชนแก้วจริงๆหลวงพ่อเคยชนนะ้คอทองแดงชนแก้วกับหลวงพ่อนะั้นมันแพ้ยับเยินเลยหลวงพ่อขอเราเด็กกว่านเดี๋ยวผมไปชงเหล้าให้พี่ชงออกมานะสองแก้วเหมือนเงินเปียบเลยชนกับเราเรากินไปเรื่อยๆนะันได้แค่เหรอ <laughs> มีวิธีนะง่ายๆนะใช้โซดาใช้โซดาแล้วหยดโคลกลงไปสักสองสามหยดนะสีเหมือนวิสกี้เลยนะมันชนกับเราถึงเช้านะมันกลิ้งไปแล้วเรายังเฉยๆเลยนะแค่ท้องอืดเท่านั้นแนะนะ <laughs> <laughs> มันจะรักษาสีได้ในสังคมของมิจฉาทิถิแนละ้วต้องมีลูกเล่นเยอะเหมือนกันไมนะ่งั้นรักษายากโดนมัน กะแนกกะแนงเอานะกระแ น, น, ะแนกกะแนงแล้วถ้าเราภาวนาดีเขาคะแนกกระแนงเขาบาปนะเราก็ไม่อยากให้เขาบาปก็ไม่อยากให้เขาแนกกะแนงจิตใจมีความสุขรู้ไหมอย่ามาพยักหน้าเลย <laughs> <laughs> เพิ่งรู้ตอนที่หลวงพ่อถามนี่แหละจริงนะนะ <laughs> เอาส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนาานวัตการค่ะหลวงพ่อเฟุ้งเก่งคะ่ะหลวงพ่อหลวลงพ่อเชื่อส่วนใหญ่เห็นตะก่อนเห็นโทสะเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้เห็นฟุ้งเยอะเดีนะ๋ยวนี้เห็นฟุ้งเยอะเอะเอเก่งขึ้นแล้วก็เห็นมานะอาตาเยอะคะ่ะเยอะดีเห็นกิเลสที่ละเอียดมากขึ้นนะเห็นแล้วทํายังไง เห็นเราก็รู้แต่ไม่แทรกแซงนะอย่าเข้าไปแท็กแซงรู้ไปดีแล้วละเขาหนูพื้นจิตมันฟุ้งเก่งเรามีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะกราบนมามะการครับเมื่อคืนสองทุ่มง่วงมากเลยครับก็ใช้วิธีไหนก็ไม่หายขาอ่อนก็ดูไปตรงๆครับว่ามันเกิดจากอะไรกดว่ามันมีความอยากจะนอน สักพักเดียวมันก็เริ่มคลายตัวแสดงไตรักให้ดูครับดูไปสักพักหนึ่งก็สามารถที่เดินได้แล้วก็ภาวนาไปได้ถึงประมาณห้าทุ่มครับอพอเห็นวนะ่ามีการเปลี่ยนแปลงครับดีแล้วล่ะมีอะไรเกิดขึ้นก็ดูเข้าไปตรงๆนะอย่างงงงงไปหมดแล้วไม่รู้จะภาวนา ย, ยัางไง มาบอกหลวงพ่อนะดูสภาวะไม่ได้เลยค่ะง ง, งบอกแล้วเองรู้ได้ยังไงว่างงก็นะงงอ่ะสิเออนั่นแหละสภาวะแหละ ง, งงรู้ว่างงไปดูไปงงก็ไม่เที่ยงนะเนื่องง่วงดูไปง่วงก็ไม่เที่ยงที่จริงไอ้ที่รู้สึก ง, ง, ง่วงมีสองอันซ้อนกันหนึ่งร่างกายอ่อนเพลีย อันนี้ดูแล้วถ้าจิตสรงสมาธิมีปีติขึ้นมาก็จะหายแต่ปกติถ้าร่างกายอ่อนเพลียจริงๆก็นอนซะตื่นขึ้นมาก็หายเพราะฉะนั้นอย่างที่หลวงพ่อเล่าเมื่อเช้า่าเหนื่อยมากๆหลวงพ่อนอนก่อนเลยแล้วค่อยลุกขึ้นมาภาวนาอีกอันหนึ่งที่ทําให้ดูง่วงนะคือโมหะใจมีโมหะอันนี้ยถ้าง่วงเพราะโมหะดูปุ๊บเดี๋ยวขาดเลยหายทันทีเลยสว่างเลย งั้นเราก็สังเกตเอาถ้าร่างกายมันต้องการพักก็ให้มันพักนะถ้าร่างกายมันจําเป็นต้องพักแล้วยังฝืนมันก็จะทรมานมากไปนะสังเกตเอาแต่ของโยมาโดยไวัยนะสองทุบมันไม่ควรนอนหรอกงนะั้น <laughs> แสดงว่ามันง่วงที่จิตนะอา้าวท่านอธิการจิตมัน กังวลเพราะว่าร่างกายป่วย ม, มันเป็นทุกข์ก็ฟุ้งซ่านเน่เวลาที่ร่างกายป่วยที้มามแต่ว่าก็รู้สึกว่าจิตมันยังพอสว่างอยู่เวลาที่จิตใจมันหดหู่ะนะดูไปที่ความรู้สึกหดหู่เลยมันไม่ใช่จิตใจปะกะติหรอกจิตใจมีถื อ, อกหกือม่ อ, อกค่ะ อันะเห็นไหมพอดูออกปุ๊บหลุดออกมาเลยเห็นไหมจิตมันหดหูก็รู้ว่ามันหดหูเอาใครจำเป็นจะถามมีวัดนึคนมีคนหนึ่งอยู่ที่ไหนกล่าวนามัสการหลวงพ่อครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ปฏิบัติในรูปแบบโดยดูลงหายใจครับแล้วก็ก็เห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกนะฮะแล้วก็ ออรู้ว่าจิตออหนีไปคิดจะรู้อยู่ตลอดนะครับที่ฝึกแล้วถูกแล้วนะครับฝึกให้เยอะๆครับฝึกให้มันอยู่ในชีวิตเราเลยนะจะทำอะไรก็คอยรู้สึกยกเว้นเวลาทํางานที่ต้องคิดนะครับงนั้นไม่ได้นอกนั้นนะอย่างเรานั่งรถไปอะไรไปเนะี่ยดูกายดูใจมันทำงานไปได้นะที่คุณฝึกถูกแล้วนะฝึกได้ดีแล้วครับท้ายนี้ก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่ ทำให้ผมรู้ว่าในชีวิตที่ที่เหลือต้องทำอะไรในชีวิตตัวเองนะครับดีใจด้วยนะครั บ, รบแล้วก็ทำให้รูเออ้เรื่องของพุทธศาสนามากขึ้นเทียมคราญคือผมไปฟังอะไรที่ผมเข้าใจว่าพูดถึงตอนไหนทําอะไรอยู่นะครับถูกแล้วเรียนกับหลวงพ่อนะแล้วพอไปฟังธรรมะนะเราจะรู้เลยว่าตรงนี้หยุดจุดไหนกรนะทั่งฟังสมัยเราฟังพระสังวงหนึ่งเทศเนี่ยเรารู้เลยว่าท่านเทศ เรื่องไหนเรื่องจริยธรรมนะศีลธรรมหรือเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติที่ท่านสอนนั้นเป็นสมถะหรือเป็นมิปัสนาฟังเราก็แยกได้นะเรก็อย่าไปว่าเขาหนาะทางใครทางมันนะเอาใครจำเป็นกราบนมัสการครับหลวงพ่อ คือผมรู้จักหลวงพ่อมานานแล้วครับแต่ว่าเพิ่งมาตั้งใจปฏิบัติเมื่อประมาณห้าหกเดือนนี้ครับน่แน่ใจเลยว่ารู้จักหลวงพ่อฮะ <laughs> ผมรู้จักหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่รู้จักผมครับ <laughs> แน่เลย <laughs> คือ <laughs> ก็คือว่าพอเริ่มปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันนอนไม่ค่อยหลับอะครับไม่รู้ว่า ปฏิบัติผิดหรือว่าจิตมันมีสมาธิขึ้นมามันมีแรงจิตมันสว่างสวายมันตื่นตัวขึ้นมานะไม่ต้องกลัวนอนไม่หลับหรอก<ป> ห, ลหลายวันเดี๋ยวก็หลับเองอย่ากลุ่มใจเคล็ดลับของการนอนไม่หลับนะมีคาถานะเอาไหมเอาครับเอานะหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างใช่ครับ ใช่ครับห <laughs> ลวงพ่อถึงบอกไงหลวงพ่อรู้จักเรา <laughs> ท่องไปเดี๋ยวก็หลับก็จะรับรับหลับไม่หลับหรอกมะไปฝึกอีกครับขอขอบคุณครับหลวงพ่อจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนะเห็นไหมจิตใจไม่ใช่เราหรอกมันมีความสุข ข, ของมันได้เองนยดูออกไหมดูออกนะั่นแหละดูไปเรื่นะไม่มีเรา กระทั่งจิตใจที่มีความสุขก็ไม่ใช่เราเ น, นี่ยความสุขมันค่อยลดลงไปดูเบกขารู้สึกไหมครับเนี่ยหัดดูอย่างเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็แสดงไตรลักษณ์แล้วไปฝึกต่อนะฝึกได้ดีอยู่ครับขอบคุณทุกคนครั บ, รบนรรศการทีร่<อ>หลวงพ่อคือผมเพิ่งฝึกที่ฟังหลวงพ่อประมาณสามสี่เดือนนะครับแล้วมาลองฝึกดูแต่ว่า เกิดความไม่แน่ใจสงสัยครับว่าปฏิบัติได้ถูกหรือเปล่าสังเกตไหมจิตใจเราไม่เหมือนเดิมใช่ครับนั่แหละมันมีพัฒนา ก, การขึ้นมามันค่อยๆพัฒนาไปก็ฝนะึกต่อฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดีจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเป็นระยะระยะไปนะอย่างแต่ก่อนเราไม่เคยรู้สึกตัวเราก็รู้สึกตัวเป็นขึนมะา เราไม่เคยเห็นว่าร่างกายกับใจเป็นคนละานกันเราก็เริ่มเห็นความรู้สึกทั้งหลายแต่ก่อนเราคิดว่าเราโลภเราโกรธเราหลงเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่เราหรอกเป็นของทุกรู้ตรงนี้เห็นยังเป็นบางครั้งคเออเธอเห็นบางครั้งนะ่าถูกแนะเห็นทุกครั้งมันก็เกินไปนะเกินฐานะเนี่ยเรามีพัฒนาการนะแล้าฝึกต่อ จิตพัฒนาขึ้นเยอะแล้วก็ก็ฝึกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครั บ, ถ, รบถูกแล้วนะครับถูกแล้วครัโยมผู้หญิงนะนนะ่ะหายใจแล้วรู้สึกนะใจกระจายออกไปหายใจแล้วรู้สึกไหม<ท>นะเพ่งแล้วรู้สึกไหมนะเพ่งอยู่ไม่ได้อะไรนอกจากความลําบากนะมีใครอีกไหม โยมโยมขอหลวงพ่อคำบ้านยาวหน่อยนะคะให้ไม่ไมเอาหลวงพ่อถือไม่ให้พูดเนี่ยของโยมอะใจมันฟุ้งเก่งแต่เดี๋ยวเนี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วดูออกไหมแต่ก่อนเราฟุง้งอุตรุดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยเราพัฒนาแล้วเราอย่าคิดมากธรรมะยิ่งคิดยิ่งฟุ้งนะเดี๋ยวมันกลับมาฟุ้งอีก เรารู้สึกเารารู้ความรู้สึกในปัจจุบันไปเรืนะ่อยแค่นั้นแหละแล้วก็ระวังอย่าให้ใจมันเผลอกว้างๆเคลิร์นๆออกนอกไปนะเดี๋ยวหลวงพ่อไม่ให้พูดเพราะหลวงพ่อรู้พูดเราไม่ค่อยเลิก <laughs> ยาว <laughs> อ่าว่าไปกลับนมัสการค่ะก็ช่วงนี้อยู่ อยู่ในจุดที่กลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงค่ะหลวงพ่อเลยน ะ, <laughs> ะคื อ, อขออธิบายสภาวะนะคะ mm hmm. ก็คือมีการนั่งมาประมาณสองปีแล้วอะค่ะแล้วก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่ว่าเรานั่งอะคะ่ะแล้วก็เหมือนเหมือนมีจังหวะหนึ่งที่ที่เหมือนสิ่งที่เราเห็นนะคะปกติไม่เหมือนเดิม แล้วก็หลังจากนั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งอะค่ะสิ่งที่เราเห็นคือทุกอย่างอะเหมือนสโลโมชันเป็นแบบเป็นช็อตช็อตชชอตชอชชอเนื้ อ, อ, อสติเราเร็วขึ้นค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขตรงที่ว่าเออเหมือนไม่มีอะไรทําเราอะไรเราได้เลยเหมือนเราเห็นทุกอย่างชาัดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะไม่จริงเนอะเดี๋ยวมันก็ทําได้แล้วหลังจากนั้นก็เหมือนเออเข้ามาดูที่ใจตัวเองอะค่ะก็เหมือนเห็นอะไรผุดเต็มไปหมดเลยแบบขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาค่ะ ทีนี้หลังจากหลังจากเหตุการณ์ตอนนั้นนะคะเขาผ่านมาสักพักแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนอะไรที่เราเห็นว่ามาถึงและหายไปอะ่ะ <c oughs> เขา ก, เขาก็เขาก็หายไปเลยก็เฉยๆไป <c oughs> สิ่ง ท, งที่สิ่งที่ทําให้เราถือสิ่งได้ปกติก็คือว่า <c oughs> พอมีอะไรมากระทบอะคะ่ะก็จะรู้สึกข้างในทันทีว่ารู้สึกผิดพอรู้สึกผิดหรือปล่าค่ะมันก็จะหยุดทุกอย่างว่าโอเคไม่ไม่ทําอะไรต่อและหลังจากนั้นก็ในชีวิตก็จะเป็นประมาณว่าทุกอย่างก็จะเป็น หัวข้อหัวข้อเหมือนบางเรื่องก็จะมาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องละอะไรที่เหมือนเราเราก็จะเริ่มเบื่อกับความเหมือนว่าเขาวนวนวนวนขึ้นวนวนแล้วเราก็ปลดล็อกทีละเรื่องเนี่ยค่ะทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าเราอย่าไปแก้มันนะอย่าไม่ต้องแก้ไขใจกล้ากล้าสภาวะอะไรเกิดเพื่แค่รู้แล้วทุกทุกสภาวะจะสอนธรรมะเราเองมันสอนว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับรู้สึกไหม ทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไป<ภ>จุดที่หนูต้องระวังอยู่นะคือการประคองจิตอยู่การรักษาจิตอยู่ตอนนี้เอารักษาอยู่รู้ไหม<ภ>เออต้องให้เป็นธรรมชาติจริงๆนะปล่อยให้มันทํางานให้มันเคลื่อนไหวมีสติตามระลึกไปเรื่อยๆค่ะปกติก็อยู่ที่ลมหายใจอ่ะ<ภ>ถ้าหลุดไปก็จะมาอยู่ที่ลมหายใจเออลมหายใจให้หลวงพ่อดูซิ ตอนนี้ตื่นเต้นนะคะหัวใจเต้นแรงค่ะที่นี้เดี๋ยวก่อนค่ะที่หนูฝึกหายใจใช้ได้นะฝึกไปเรื่อยๆ ร, ระวังอย่ายให้จิตติดนิ่งเท่านั้นแหละ ทำคือตอนนี้เหมือนเล่นเกมในใจอะค่ะเหมารู้สึกว่าสนุกดีที่เราคอยจับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ไม่แน่ใจว่าเหมือนเราเพ่งเกินหรือว่าติดความสบายไหมเพราะว่าชอบที่เวลาบางทีนั่งสมาธิแล้วแบบตัวหายหรือเรานิ่งไปเลยหรือแบบว่าโลง่ลงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่รู้แค่ดูนะทุกอย่างชาั่วคราวเท่านั้นตัวหายก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์เราต้องการแค่เห็นว่าร่างกายนี้มีอยู่ได้ก็หายได้นะ ความรู้สึกทั้งหลายมีอยู่ได้ก็หายได้ทุกอย่างเกิดแล้วดับนะต้องการเห็นแค่เนี้ยนะช่วงนี้จะท้อถอยเยอะค่ะหลวงพ่ออย่างที่บอกเหมือนว่าท้อถอยก็เกิดดับน ะ, ะเกิดได้ก็ดับได้นะไปดูไปขอหนึคําถา ม, มทีนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติทีนี้จะเป็นเรื่องของใช้ชีวิตปกติะคะ่ะเนื่องจากว่าออพอมาปฏิบัติมากขึ้นก็จะมีเรื่องของคนรอบข้างที่ที่บับทีเราจะไม่ได้เข้าใจก็เลยไม่แน่ใจว่า จริง ๆ, ๆเราปฏิบัติที่ใจเรานะที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าพยายามกลมกลืนไปเคยทําหน้าที่อะไรก็ทําไปอะไรเงี้ยนะมีผู้หญิงหลายคนนะแต่งงานแล้วนะล่ะเราพออยากปฏิบัตินะไม่ยอมเข้าใกล้สามีเลยะในสุดสามีก็ไปมีเมียน้อยนะคราวนี้กรรมาฐานแตกเลยะทนไม่ได้ลนะก็ตัวไม่ทําหน้าที่ของตัว ทอดทิ้งสามีมันสัตว์โลกมีกิเลสอยู่นะไม่ได้ฝึกกรรมฐานแบบเรามันก็ยังงุนง่านนะมันก็ไปหาสาวอื่นอะไรเงี้ยเนั้นเวลาเราภาวนานะเรามีหน้าที่อะไรทำหน้าที่นั้นนะอย่าทิ้งหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนันชีวิตครอบครัวมีปัญหาแล้วก็เวลาภาวนานะเราก็พยายามบอกคนอื่นเขาว่าเรากิเลสเยอะบอกเขาอย่างนี้นะ ราะเรากิเลสเยอะเราเลยพยายามอยาฝึกตัวเองขัดเกลาตัวเองเพื่อเราจะเป็นคนดีกว่านี้นะเธอจะได้สบายขึ้นส่วนใหญ่จะเหมือนเป็นแนวว่ารู้สึกว่าเขาเป็นทุกข์ไม่อยากให้เขาเป็นทุกข์แต่ว่าบางทีพูดไปเขาอาจจะเราก็จะไม่ค่อยพูดแล้วอะค่ะก็จะนิ่งๆอะไรไม่ได้เวลาภาวนานะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมห่วงหน้าห่วงหลังไปยาก เอาตัวให้รอดก่อนมีความสุขให้เขาเห็นพอเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของเราแล้วเราก็โฆษณาชวนเชื่อชวนให้ปฏิบัตนะิอยู่ๆเราเองก็ยังมีกิเลสเล้จะบอกว่าการปฏิบัติดีอะไรเงี้ยเขายังไม่เชื่อหรอกนะเราทําของเราให้ดีก่อนนะแล้วอะไรที่พฤติกรรมที่ไม่ดีที่ผ่านมานะเราพยายามเลิกให้เขาเห็นนะว่าเรา ฝึกตัวเองอยู่เดี๋ยววันหนึ่งเขาก็เริ่มใสหลวงพ่อทีแรกทํางานนะก็วพวกเพื่อนๆนั่นนงโต๊ะติดๆกันแหละเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของหลวงพ่อหลวงพ่อภนานาหลวงพ่อหน้าตาเบิกบานผ่องใสนะคนอล่นเขาเคลียดๆเราหน้าต า, าใสสว่าง เขาก็าถามว่าทำอะไรมาทําไมหน้าใสอย่างง้พี่กินอะไรมานะคงคิดว่ามีวิตามินอะไรกินแล้วดูดีอะไรอย่างนี้นะบอกเราเราหัดภาวนานะภาวนาก็ไม่ยากอะไรเราคอยรู้ทันใจของตัวเองไปโลภก็รู้โกรธก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะเขาก็าฟังแล้วเขาก็าาเอาไปทํานะเขก็ขเป็นให้มนะันเขาก็ไปเล่าเมียเคย มีเขาก็ภาวนาอีกนะลูกเขาก็ภาวนาเราไม่ได้ชวนเขาเลยนะแต่เราภาวนาจะเราเปลี่ยนแปลงให้เขาเห็นนะคนใกล้ตัวสอนยากที่สุดเขาเคยเห็นเคยกระทบไหลแบบก็งั้นงั้นแหละวะทีวเราต้องเปลี่ยนให้เขาเห็นนะเขาถึงจ ย, ยอมแค่อยากให้เขาดีอยากให้เขาไม่ทุกข์มันก็แค่ความอยากของเราไม่ได้มีผลอะไรเลย ทำให้ดีทำให้ทุกน้อยลงให้เขาเห็นนะแล้วเขาจะได้ตามเรามาคุณคะอย่าคุยยาวนะกลาบนะมสกรรหลวงพวอ่อค่ะจะถามว่าปฏิบัติเนี่ยพอใช้ได้บ้างไหมพอไดแ้แต่ฐานจิตเราฟุ้งสั้นนะค่ะมันฟุ้งเก่งดูออกเปล่าดูออกค่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทธโธ ให้จิตมันมีบ้านอยู่อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุโทโธเรื่อยๆจิตมันสงบมีเรี่วมีแรงขึ้นแล้วมันถึงจะพัฒนาได้ถ้ามันคิดคิดไปเรื่อยๆนะไม่พัฒนาหรอกอไปทำตัวนี้ให้ได้นะห า, าบ้านให้จิตอยู่อยู่กับพุโทโธลมหายใจไปคนไหนโง่ห้งฟุ้งซ่านเนียหลวงพ่อจะต้องเบรกไว้ก่อนคล้ายๆเข้าจบตีก่อน ได้เปรียบนามส ก, กานค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอ้าวว่าไปไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาหลายปีมากเลยค่ะเลยอยากจะขอโอกาสอะคะ่ะก็ปฏิบัติต่อเนื่องมาหลายปีค่ะก็พยายามนั่งสมาธิเช้าช่วงเช้าจะนั่งได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงอะคะ่ะ แล้วก็พยายามตามดูกายดูใจในระหว่างวันแต่ว่าระหว่างวันส่วนใหญ่ก็จะหลงเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ยังรู้สึกตัวว่าเหมือนยังเพ่งอยู่อ่ะค่ะก็เลยอยากจะขอกันบ้านหลวงพ่อเพิ่มค่ะหลวงก็รู้ไวๆนะเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งแต่เพ่งแล้วมันไม่ค่อยหายให้รู้ว่าทําไมเพ่งที่เพ่งก็อยากดีอยากปฏิบัติถ้ารู้ว่าทําไมเพ่งน้ําก็เลิกเพ่งไปเองส่วนหลงเนี่ยแค่รู้ว่าหลงอะไม่ต้องคิดว่าทําไมหลงอนะ หลงรู้ว่าหลงก็หายหลงแล้วแต่เพ่งเนี่ยรู้ว่าเพ่งไม่หายต้องรู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการเพ่งคืออยากดีนะยี่ยไปรู้ตัวนี้นะมันจะหายแล้วพระจิตไม่เผลอพะจิตไม่เพ่พเพงนะจิตก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาพะจิตเป็นผู้รู้แล้วเราก็เดินปัญญาร่างกายเป็นของถูกรู้ความสุขทุกขเป็นของถูกรู้ความดีความชั่วเป็นของถูกรู้อะไรอะไรก็ถูกรู้นะ แล้วทุกอย่างที่ถูกรู้นะไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของที่มามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ทีนี้เป็นการเดินปัญญานะเพราะฉนั้นขั้นแรกก็คือจิตหลงไปก็รู้ทันจิตเพ่งอยู่ก็รู้นะแล้วก็อย่าไปอยากดีอยากดีมันก็ไม่เลิกเพ่งนะให้รู้ทันใจที่อยากก็ใจเป็นกลางมันก็เลิกเพ่งไปเอง ใจมันรู้ไม่เผลอไม่เพ่งแล้วก็เดินปัญญาเห็นกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความดีความชั่วอยู่ส่วนหนึ่งคําว่าส่วนส่วนส่วนในภาษาไทยภาษาบาลีคือคําว่าขันขันแปลว่าส่วนนะก็คือการแยกขันนั่นเองแล้วเราก็จะเห็นเลยรูปคือกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดความสุขทุกข์ นะเป็นเวทนาขันเกิดแล้วดับทั้งสิ้นบังคับไม่ได้สังขารขันความดีความชั่วโลภโกรดหลงอะไร<ม>เกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาที่ฝึกมาหลายปีนี้พัฒนาขึ้นพอสมควรนะใช้ได้ดีจิต <ขอ S 1> ใจ <ขอ S 1> เปลี่ยน <ขอ S 1> ไปเ <okay. S 1> ยอะแล้วดูออกเฝล่าดูออกกันนั่นแหละภาวนามาได้ดีแล้ว แต่อย่าไปประคองรักษาจิตนะจิตเป็นไงก็รู้ไปเรื่อยๆถ้าประคองอยู่แล้วมันไม่เดินปัญญามันนิ่งๆโนอนท้ายห้องจิตหลงไปคิดว่รู้นะกราบน้ำม ก, การหลวงพ่อครับไม่ได้ส่งกันว่าหลวงพ่อมาสองปีกว่าครับ ล่าสุดที่หลของพ่อให้กันบ้านไปก็บอกว่าให้ไปทําอีกครับผมให้อะไรนะให้ไปทําอีกครับผมเออก็ไปทําเพิ่มครับถูกบ้างผิดบ้างก็ปฏิบัติมาภาวนาไม่ต้องกลัผิดนะครับแต่สังเกตไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะผิดน้อยลงน้อยลงภาวนาที่ไรจริงๆนะถ้าพูดตรงไปตรงมานะภาวนาก็ปรุงแต่งแล้วละะ ปรุงแต่งก็คือผลผลิตของอวิชชามีศีลสมาธิปัญญ า, ากนน็เกิดในพบเกิดในความปรุงแต่งทั้งหลายเยันเบื้องต้นปรุงแต่งไปก่อนแต่ปรุงดีนะไม่ปรุงชั่วครแต่ว่ามันถูกไหมมันก็ถูกเหมือนกันถามว่าผิดไหมมันก็ยังปรุงแต่งอยู่อ่านใหม่ๆมันก็ต้องปรุงแหละช่วยไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉั้นไม่ต้องกลัวผิดนะฝึกไปแล้วผิดแล้วค่อยรู้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิด แล้มันจะผิดน้อยลงน้อยลงสุดท้ายมันก็ถูกของมันเองแหละเวลาถูกมันถูกในแว บ, บเดียวเท่านั้นแหละแต่ผิดเนี่ยยาวเรียนรู้ไปเรื่อยๆที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเอยอะเลยครับคนสุดท้ายขอบคุณมากครับอยู่ข้างหน้านี้ตื่นเต้นมากนะระวังหัวใจไหว วันนี้มีพระเถระมาเยอะเลยสนใจเรื่องคนอื่นแล้วชอบกลับน้ำมศ ก, การหลวงพ่อค่ะม ไ, ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อมาสองปีอ่ะอก็เลยขออนุญาตมาส่งเห็นกิเลสตัวไหนบ้่งก็โมหะค่ะเป็นคนที่ชอบฟุงซ่านะะก็ล่าสุดหลวงพ่อให้ไปอยู่กับวิหารธรรมแต่ว่า วิหารละทำ ม, มันก็ม า, มามาหายหายเป็นอนัตตาค่ะหลวงพ่อเอ อ, อเชียวนนัตตามาอ้ากี่ <laughs> นี้หนูก็พยายามทําเน้นแบบในชีวิตประจำวันรูเปลี่ยนไปเยอะแล้วรู้สึกไหมจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วล่ะนะอย่างถ้าหลวงพ่อนั่งรถไปเห็นหนูเดินอยู่ข้างถนนหลวงพาก็รู้ว่านี่ลูกศิษย์นะลูกศิษย์หลวงพ่อไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานะไม่เหมือนคนหรอกะ เพราะว่าใจนันไม่เหมือนใจมันตื่นเนี่ยพอใจเราตื่นเราก็เรียนรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยแต่ละวันใจเราไม่เหมือนกันแต่ละเวลาใจเราก็ไม่เหมือนกันแต่ละขณะใจเราก็ไม่เหมือนกันขณะที่เห็นความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่คิดความรู้สึกก็เปลี่ยนเนี่ยเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอย่าไปรักษาให้คงที่ ที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้นะเสียแต่มันฟุ้งไปนิดนึงอนนี่คือใจถูกหรอคะหลวงพ่อถูเด้วยสมาธิไม่พอถูกค่ะที่หนูเห็นแบบมีปัญญามาแวบๆอันนั้นก็คือถูกบางถูกกันใช่ั้ยคะถ้ามีปัญญามาเยอะแยะแล้วผิดแน่นอนปัญญามาแวบๆเนี่ยถูกเวลาปัญญาเกิดมันเกิดแวบเดียวแหละปัญญามาทั้งสามชั่วโมงฟุ้งซ่านไม่ใช่ เอากับบ้าน